เข้าทางที่เป็นความทุกข์ไม่ค่อยเลือกที่จะเลี้ยวไปสู่ทางแห่งความไม่ทุกข์หรือว่าความสุขเท่าไหร่คร น, นี้อะไรที่ทาให้เราชอบเลี้ยวเข้าไปในเส้นทางของความทุกข์สาเหตุนก็คือความเคยชินความเคยชินเราชินกับการที่จะโกรธ เวลาเจอเสิ่งที่ไม่พอใจเสียงที่ไม่ไพเราะอาหารที่ไม่อร่อยใหม่ๆก็อาจจะไม่ไม่รู้สึกเท่าไหร่อาจจะเริ่มต้นด้วยจากความลาคาญก่อนเสียงดังรู้สึกลาคาญแต่พอลาคาญบ่อยเข้ามันก็ขยายมาเป็นความหมงุดหงิดพอหงุดหงิดบ่อยเข้ามันก็กลายเป็นความโกรธแล้วพอโกรธบ่อยๆเข้า